ชอบช่วยคนแต่ไม่ชอบคนชอบตัวเองคนแต่ไม่ชอบคนสิ่งที่ทํา ทำให้เรารู้สึกว่ากี่คนก็งั้นๆพอพบกัน เขาเพราะเป็นฝรั่งที่อยู่ไทยนานความจริงคือเขาแตกต่างจากคนทั่วไปในหลายแง่มุมเห็นด้วยตาเปล่าคือพิเศษจะเหมือนเครียดปั้นปึ่งฝรั่งที่อยู่ไทยนานความ คุณคลิกลักษณะที่ขัดแย้งๆก็คือวิธีคิดนั่น เสียงหนึ่งเป็นๆของเขาเลยแต่ก็ดังอยู่ในหัวๆในหัวเส เสียงที่ใหญ่กว่าจะเตือนให้รู้ว่าความเห็นแก่ตัวคือความผิดพลาดการปฏิเสธการขอความช่วยเหลือคือบาปที่ไม่น่าให้อภัยเรื่องเศร้าคือเข้าใจอ่อนให้กับศีลแห่งความเห็นแก่ตัวเสมอมาอันที่จริงผมเห็นว่าเสียงเล็กกับเสียงใหญ่ที่ขัดแย้งกันในหัวดังกล่าวนั้นพบได้ในคนทั่วไปคือภาคหนึ่งใจดีมาก มันทําให้ขัดแย้งจนเขาเสียความภาคภูมิใจ หากเปี่ยมเมตตาจนรินออกมาแจกจ่ายทุก นั่นคือมนุษย์เราจะไม่ชอบกันก็ด้วยเหตุคือความ อย่างไรก็ตามคนแรกที่จะเป็นสุขก็คือคนถ้าทั้งโลกเต็มไปด้วยภาพการช่วยเหลือเกื้อกูลทุกคนจะยิ้มออกแก่ใจว่าถ้าปัญหาคือ คุณยังอาจผิดหวังได้ๆเมื่อลูกของคุณแสดงความ เป็นชนวนแห่งความเมตตาและความผาสุกจากภายใน เมื่อเห็นตามจริงเข้ามาในจิตตนเองว่าความ และเลือกคําหนึ่งเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบทั้ง ถือคุณเป็นฝ่ายให้ก่อนโดยไม่กลัวเสียเปรียบเป็นฝ่ายอภัยแผ่เมตตาในชีวิตประจําวันที่ๆๆ รูปแบบชีวิตของคุณอาจเรียบง่ายธรรมดาซ้ำแบบกับใครๆอีกครึ่งโลกแต่คุณจะผิดแผกแตกต่างอย่างสิ้นเชิงออกมาจากภายในหากใจปราศจากความเห็นแก่ตัวและไม่เป็นที่ตั้งแห่งไฟโกรธไปจนชั่วชีวิตความประทับใจเมื่อใครๆพบคุณคือความเย็นความสงบเบาผิดจากธรรมดาคล้ายบ้านที่ตั้งมั่นอยู่ในบรรยากาศร่มสบายถาวรน่าอยู่อาศัยน่าพึ่งพิงทั้งสำหรับเจ้าของบ้านและผู้มาเยือนทุกคน ประโยคถ้าสามารถช่วยคนที่ชอบได้จะเป็นสุขถ้าเต็มใจช่วยคนที่ไม่ชอบได้จะสุขกว่าถ้าพร้อมช่วยกระทั่งคนที่เกลียดได้จะสุขที่สุดช่วยคนที่ชอบ ในไม่